ถ้าขนทรายขึ้นมากับค่าขนเนี่ยค่าขนแพงกว่าค่าทรายมันก็เลยอืค่าใช้จ่ายมันก็เลยงอกตรงเนี้ยมันเอาคุมไม่ได้และที่สำคัญคือคัวเหล็กเะไรแบบนี้ถ้าเป็นให้ช่างเขายกยกไม่ได้ก็เลยต้องจ้างจ้างรถเคลนรถเคลนเราจ้างเป็นเดือนเขาที่จะมาให้เรานะถ้าจ้างไปกลับเขาไม่ได้เขไม่คุมเขไปสมชั่วโมงมาสา รถเคลนสามช่วงไม่ได้ทิ้งเร็วผมรอไม่ได้สรุปก็คือถ้าจะไปก็หมดไปวันหนึ่งแล้วได้งานเดียววันนั้นเราจ้างเนี่ยจ้างแช่ไว้เลยเดือนเดือนกว่าแต่เขาคิดวันละสามพันซึ่งก็ถูกแล้วนะเคลนใหญ่สามพันแล้วต่อจะใช้สามพันก็ตกไปแสนกว่าวันไหนใช้ไม่ใช้ไหมลูกจ้างทิ้งไว้เลยหนึ่ง0สนกว่าอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เราไม่ไม่อยู่ในวงเงินที่เราคำนวณเอาไว้ มาเป็นแสนกว่างานที่มันงอกเข้ามาเนี่ยโอ้แล้วก็งานข้างล่างที่พื้นที่ห้องพักห้องพักรับรองคือพักได้ทั้งญาติโยมแล้วก็พระสงฆ์โอเนียนข้างล่างมีสองสามห้องอันนั้นก็ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างอันนี้เดิมคือ ง, งานงอกเข้ามาถนนถนนี้เขาขึ้นมาถ้าไม่เทโพลก็ขึ้นไม่ได้ก็ถนนนั้นหมดประมาณห้าแสนนะที่เราเห็นนะ ลาดไปลาดมันนิดหน่อยปาไปห้าแสนไม่ใช่น้อยใคาจะจ่ายมันเยอะแต่มาได้ถึงขนาดนี้ถือว่าโอโีอปรกรณอีกเยอะเราต้องจะออกแรงแล้วที่งานมันเดินได้มันเดินได้ตลอดเคือมันไม่ไม่ไม่ติดขัดก็เพราะว่าทางวัดทางวัดคือวัดจันทร์ที่ก็อุดหนุนส่วนหนึ่งประมาณ สามล้านกว่าประเด็นถ้าจะรอวัดก็แปลว่าถ้าเอาเข้อจริงติดลบสามล้านกว่าแล้วถ้าจะเป็นทางวัด น, นะนะติดลบก็งานมันไปไปได้เรื่อยๆขนาดที่ว่าไม่อยากให้งานมาขาดช่วงในคราวประมาเดือนหน้าก็ต้องรอช่างเหล็กมาเคลียนนิดห น, น่อยแล้วลังคาคงจะขึ้น หลคาเนี่ยของที่ของมันถูกเพราะแบบของเราซื้อเองไม่ใช่พวกเราเหมาซื้อทุกอย่างพวกเราซื้อของเองจ้างเฉพาะค่าแรงมันก็เลยถูกแล้วถูกเยอะเลยแหละเฉพาะเหล็กนี่ก็จาก้างเฉพาะเราซื้อของเองจ้างเฉพาะค่าแรงหลังคาก็เหมือนกันกระเบื้องเราซื้อเองจ้างเฉพาะค่ามงคือค่าแรง ทุกอย่างมันก็เลยลดค่าใช้จ่ายลงเยอะพอสมควรคาดว่าถ้าไม่ติดขัดหลังคาขึ้นเสร็จคงรอบๆนี้ก็จะเป็นเือนเือนนี้เราจะใช้เป็นกระจกก่อขึ้นนิดหน่อยบนล่างแล้วกระจกเราจะมองเห็นรอบทุกทิศทางมันจะไม่มืดมันจะได้บรรยากาศที่สคัญคือประหยัดส่วนตัวนี้จะเป็นแท่นพระ ธนพุทธรูปซึ่งเรามีรูปแบบชัดเจนแล้วข้างหน้าจะเป็นซุ้มเป็นปูนปั้นถ้ามีตังนะเ ป, นเป็นภาพลวมรปูนปั้นเป็นซุ้มของพญานาคนิดหน่อยแต่อาจจะขัดใจใช่ไห่านหนึ่งพญานาคจังหวัดบางทั่วพญานาคไม่รู้เป็นอะไรต้องขัดละก็ต้องอยู่ดูที่ปัจจัยด้วยตอนนี้ยังอยู่ที่ปัจจัยถ้ามาเรื่อยๆอย่างนี้ ก, ก็ไปได้ก็ไปได้เยอะแค่พามาคงปีนี้คงปีหน้าคงฉลองไม่ได้คงต่อไปคงแก่ฉลองฉลองคือเป็นอุโบสถแล้วสถานที่อย่างนี้จะเป็นที่บรรพชาอุทิศผลได้เราไม่ต้องไปในเมืองแล้วก็แปลว่าเป็นสถานที่ทําชาวบ้านให้เป็นพระชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเป็นพระทำพระธรรมดาเป็นพระาอารยะนี่คืออุโบสนี่คือความสําคัญ ถาเรามีส่วนร่วมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้วันที่ฉลองโบสถ์ก็ต้องมีบสถอยากให้บ้านเรามีส่วนร่วมลูกหลานคนไหนว่างๆเล ย, ยบ 5, เบลโบสถสักห้าวันเจ็ดวันฉลองโบสถ์สเนี่ยคงไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวค่อยคุยกับพระหลวงอาจจะพระหลวงเป็นผู้นําก็ได้คร จ, จะไปรู้ <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากัน หวันเจ็ดวันเนาะไม่ใช่ว่าบทวันแรกบอบทวันแรกเสร็จก็บอกว่าก็าจะขายรถแล้วเนอะเขาบอกขายเบเตอร์เนะาะเรจะขายงูแล้วเนอนะขายเบเตอร์พอวันที่ห้ามาอาจจะเอาผัวใหม่แล้วเนอะเดี๋ยวก่อนครูจะเซ็อยูเนาะเนี่ยผู้เล่นเฉย พ่อหลวงก็เข้าครัวที่ออ๋ทำบ้างตรงตั้งแต่พ่อหลวงจี้มาแล้วอยู่ที่นี่อาตมามาจําภาษาที่นี้เมื่อสามสิบกปีที่แล้วพวกเราเหน็นดูสมัยไม่มีอะไรบ้านเราไม่ไ ม, ไ ม, มีไม่มีรถไม่มีรถไม่มีลาโดเฉพาะโครงการหลวงพณะที่มีรถชาวบ้านไม่เครมีรถเลยจะไปแม่แจ่มเนี่ยก็เดินออกไปเนี่ยจะเร็วหน่อยถ้าไปทำในโอ๋ออม จอมทองโดอยอินนนโอลําบากเลยถ้าถ้าพูดง่ายง่คือแค่ไปแจ้งเกิดแจ้งตายก็ลําบากแล้วบุคคลก็ไปไปถึงไปแจ้งเกิดดีใจดีใจลูกเกิดไปแจ้งเกิด ไ, ไปไปอำเภอขึ้นไปอำเภอแม่แจ่มเดินไปเป็นวันนะกลับบมาถึงบ้านเอาลูกตายกลับไปแจ้งตายมันลําบากนะเมื่อก่อน ลำบากมากหน้าฝนไม่ต้องออกไปไหนละไปไหนไม่ได้เลยแต่นี้ดีขึ้นแล้วถนนท่องทางดีขึ้นแต่ตอนนี้เมื่อสามสกปีที่แล้ววัดอยู่ข้างล่างวัดจริงๆอยู่ข้างล่างมันไม่ได้เป็นวัดแต่เรียกว่าที่เฉยแต่ย้ายมาอยู่ข้างบนนี้นี่มันเวลามันล่วงเลยมาสามสิบกว่าปีแล้วสามสิบหกปสมัยคนพูดยังหนุ่มเลยดูสมัยก่อนยังหนุ่มยังน้อยอยู่ัไปไหนมา ไ, ไหนได้ เดินเรนไปไหนได้นี่นก็แก่แล้วกันแตกกันหมดแล้วคนเก่าขอแกก็ไปพ่อหลงที่ก็ไปหมดแล้วเกสกว่านั่นก็ฝากวัดวาอารามพวกเราทุกคนที่มีส่วนร่วมตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่ขอร่างสร้างตัวเรื่อมจากฐานรากขุดลุมก็ชาวบ้านพวกเรามาช่วยกันรูลเล็กเด็กแดงแลขออนุโมทนาทางค่าทางไกลที่ไปพ่งเี๊เกษตรเกษตร ก, ก็เพิ่งได้ มันก็นมีเกษตรกับป่าไม้บินธบาตก็ไปเกษตรสายหนึ่งไปป่าไม้สายหนึ่งแล้วก็ไปบ้านม้งสายหนึ่งก่ตั้งสามสาย น, นาะครัพออิ่มเมื่อก่อนไม่ได้เยอะไม่เหมือนสมัยนี้แต่ถือว่าเราอุปถรัรมภ์ค้ำชูมาตลอดมาก็คอรภ์มรณาโดยทั้งครูบาอาจารย์ที่มาจากหลายทิศหลายทางรู้จักมัง่งไม่รู้จักมังก่งก็จะเอาทุกคนมาร่วนร่วมมาด้วยกัน ลำพูนหลวพี่สุริเทพอยากลำพูนปุ้ยก็กําลังสร้างบ่อมันกันสร้างก่อนเราเลยนะก่อนนี้น่าจะใกล้เสร็จแล้วบ้างแถบใกล้เสร็จแล้วบ้างเรื่องแต่ของหลังคาถ้าเราเสร็จก่อนจะไปว่ากันนะวัดเซตศพ ส, ส บ, สบวดแม่ทากําลังจะเป็นวัดกําลังจะเป็นวัดใช่ไหม ได้ละอนุญาตแล้วเรามันเป็นวัดยกวัดหลังไปวัดมีประสงค์มันจะง่ายเราก็เอามาตรวจสอบครั้งสุดท้ายลำโพนก็จะครบสิบวัดวัดคือเป็นวัดทางการที่สมูรณแบบที่เป็นสำนักสงฆ์มีเยอะแต่ที่วัดถูกต้องตามกฎหมายสิบวัดครบสิบวัดแล้วเขก็จะแยกจังหวัดเขาก็จะมีคณะจังหวัดเมื่อก่อนก็เป็นเจ้าหน้าอําเภอเขตนั้นก็ย้ายมาอยตอนนี้มาโดยหลอดเลยไม่ค่อยหลอดเท่าไหร่มันอยโดยหลอด มีเสียหวัดแต่ไม่ค่อยหล่อเลยตอนนี้ก็ช่วยกันแยกกันไปแยกกันมาก็ดทุกคนวันนี้ก็ขอขอบคุณทางบุญนาเจ้าภาพกทจะตามมากันนี้เรื่อยๆที่จะภาพรวมทั้งเจ้าที่พ่อหลวงผู้ช่วยทุกคนที่มาช่วยงานนี้ก็ขอบุญธนาถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของงานในครั้งนี้ก็ขอบุญธนาอีกครั้งหนึ่งเดือนหน้าเดือน เดือนทันวาเป็นหลวงพ่อไม่อยู่ยุ่งมากๆเดือนหน้านี่ก็จะมาแจกของรอบต่งแจ้งพลอยทราบหนึ่ง น, นักเรียนในร้อยตำรวจก็มากันไม่กี่คนไจะมาแจกของบ้านเราแต่หลวงพ่อไม่อยู่ติดต่อแล้วหลวงพ่อไม่อยู่ <S 2> <S 2> ๆๆไม่อยากคุยเดียวหาคุยโไปต่างประเทศมึงก็ไปประกาศค่ะคุยไม่อยากคุยเลยไม่อยากบอกว่าไปต่างประเทศไม่บอกเราก็ไปต่างประเทศพวกเขารู้ก่อฟ้อนโมทนา อ่ออ่ะจากนี้ไปก็รับพรเถอะนี่บอกเจาก้าวาดบอกทำไมรับพรนอนไม่หลับก็อ่ารับพรนะรับพร